บทที่สามสิบสามจดหมายถึงยายตั้งแต่หลานชายสุดที่รักจากไปเรียนที่บางกอกยายก็เฝ้านับวันนับคืนคอย เขากลับมาสู่บ้านบางม่วงหมู่อีกครั้งเป็นการรอคอยที่แสนทรมานโดยไม่แน่ใจว่าตนจะมีอายุยืนยาวต่อไปจนถึงวันนั้นหรือว่าจะด่วนเข้าเมนไปเสก่อนครั้นนึกถึงวันที่พูดเรื่องนี้กับหลานยายก็โปรงตกไอ้หนูยายอาจตายเสีก่อนที่เองจะกลับมาก็ได้ไม่ตายหรอกยาย ผมมีวิธีที่ทำให้อายุยืนถึงหมื่นปีคนเป็นหลานพูดท่าทางขึงขังยายยังจำได้คงไม่อยากอยู่ถึงหมื่นปีหรอกเอาแค่ร้อยปีก็พอหรือร้อยกับหนึ่งปีก็ได้ยายยึดหลักสันโดดแต่พอครบร้อยหนึ่งยายก็ต้องขอเป็นร้อยสอง พอครบร้อยสองก็อยากให้เป็นร้อยสามร้อยสี่ไปเรื่อยๆไม่จริงไม่จริงยายเป็นคนมีสัจจะพูดคําไหนก็เป็นคํานั้นเองบอกมาก็แล้วกันว่าทำยังไงถึงจะได้อยู่ถึงร้อยกับอีกหนึ่งปีคนถามอยากรู้ยายจ่ายค่ายกครูมาก่อนสิครับ ของอย่างนี้มันต้องมีค่ายกครูไม่งั้นก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์หลานชายได้โอกาสนี่เองจะตั้งตัวเป็นครูบาอาจารย์แล้วหรือน่าสงสารลูกศิษย์เองจังเลยนะทำไมล่ะยายอ้าวก็ขนาดครูยังสอบตกแล้วลูกศิษย์ก็ไม่แย่ไปกว่านี้หรือยายทำท่าดูแคลน มันก็ไม่แน่เสมอไปหรอกยายสิทธิ์ที่เก่งกว่าครูมีถมไปเขาเรียกอธติชาติสิทธ์ไงละ่ะทำไมเลือกเป็นอวชาติสิทธ์ยายหาเรื่องว่าอีกจนได้เฮน่ายายอยากขมผมนักเลยตกลงยายจะไม่อยากรู้หรือว่าทำยังไงถึงจะอายุยืน ถ้าต้องจ่ายค่าครูยายไม่อยากรู้ก็ได้คนขี้เหนียวแห่งบางม่วงมูตัดสินใจง่ายได้โดยไม่ชอบเสียเงินแต่ถึงยายจะไม่อยากรู้ผมก็จะบอกไม่ได้ค่าครูก็ไม่เป็นไรนึกซือว่าเป็นการแสดงความกะตันยูกะตะเวทีต่อผู้บังเกิดเกล้าของผู้บังเกิดเกล้า หนุ่มน้อยมิวายพูดเอาความดีความชอบงั้นก็บอกมาเร็วๆหากคืนชักช้ายายจะไม่ให้โอกาสเองได้ทำความดีคนอายุย่าง8ปห้าพูดแบบไม่งอตกลงครับตกลงบอกก็บอกคืออย่างนี้ครับยายผมคิดของผมขึ้นมาเองว่าคนเราจะอยู่ได้นั้นต้องหายใจกับกินข้าวถ้าไม่ทำอย่างนี้ก็ต้องตาย ผมก็เลยตั้งสูตรว่าถ้ายังไม่อยากตายก็ต้องหายใจกับกินข้าวเข้าไว้ไอ้หนูเอ็งกอกกะล่อนตามเคยนั่นแหละยายไม่น่าเสียเวลาฟังเอ็งเลยยายรู้สึกผิดหวังไม่เสียเวลาหรอกยายครับหรือว่าผมพูดไม่จริงยายนิ่งคิดประเดี๋ยวหนึ่งจึงพูดเสียงอ่อยๆว่า จริงข้องเองงั้นเอาอย่างนี้เรามาสัญญากันว่าจะขยันหายใจกับกินข้าวจะได้กลับมาพบกันอกีกตกลงนะครับผมให้สัญญาแล้วยายกับหลานก็พากันหัวเราะ อ, อย่างมีความสุขทิศพองกาหนดจะกลับจากบางกอกวันนี้ยายเฝ้าคอยอย่างใจจดใจจอ่อ ด้วยอยากทราบข่าวคราวของหลานชายคนโปรดสวดมนต์ทวัดเช้าเสร็จแล้วยายก็เตรียมตัวไปใส่บาดพระห้ารูปที่มาโปรดสัตว์หน้าบ้านทุกวันนางสาวจำแรงกับแม่จวนจัดเตรียมของใส่บาดไว้ให้ยายเพียงแต่พาตัวเองลงไปรอพระที่หน้าบ้านโดยไม่ต้องให้ใครช่วยพยุงแม่จวนถือสหรับตามหลัง ใส่บาเสร็จยายขึ้นมากรวดน้ำมารดาหนุ่มเจริญหาขันจอบใส่น้ำกับจานหนึ่งใบมาให้หน้าที่เหล่านี้หลานชายเคยทำอย่างมิขาดตกบกพร่องและยายก็จะสอนเขาไปด้วยครั้นแม่จวนมาทำหน้าที่แทนยายจึงสอนลูกแบบเดียวกับที่เคยสอนหลาน เวลากรวดน้ำอย่าเอาเนิ้วมือไปรองน้ำนะลูกทำไ้ละแม่ใคาเห็นใครๆก็ทำกันทั้งนั้นแม่จวนแยงอย่าเอาใครๆมาอ้างหน่อยเลยการอ้างคนส่วนมากใช่ว่าจะถูกเสมอไปอย่างเรื่องกรวดน้ำเป็นต้นจะหาคนที่เข้าใจท่องแท้แทบหาไม่ได้เองต้องจำเอาไว้สอนลูกสอนหลานนะข้านามันแก่แล้ว จะอยู่สอนพวกเองไปได้สักกี่วันอย่านับเป็นวันเลยแม่นับเป็นปีดีกว่าคนมีบุญอย่างแม่ต้องอยู่ไม่ต่ำกว่าร้อยปีเชื่อข้าสิก็ไม่แน่เสมอไปหรอกอายุคนสมัยนี้โดยเฉลี่ยก็76ปีนี่ข้าก็อยู่เกินมาตั้งร่วมสิบปีถือว่าได้กำไรพอแล้ว แต่ข้าก็อธิษฐานจิตไว้ว่าวันใดช่วยตัวเองไม่ได้ต้องนอนให้ลูกหลานป้อนข้าวป้อนน้ำก็ขอให้ข้าตายอย่างสงบอย่าให้ใครต้องมาลำบากเพราะข้าเลยยายวางแผนชีวิตอย่างรอบคอบเรื่องลำบากน่ะข้าไม่กลัวหรอกขอให้แม่อยู่ไปนานๆก็แล้วกันลูกหลานจะได้มีโอกาสตอบแทนบุญคุณ เอาเธอเอาเอไม่ต้องมาตอบแทนอะไรข้าหรอกข้าไม่เคยคิดทวงบุญคุณใครถ้าเช่นนั้นก็นิมนเทศเรื่องกรวดน้ำต่อไปเถอจะจ้ะลูกสาวประนมมือในท่านิมนข้าเทศถึงตอนไหนแล้วละ่ะมารดาจำไม่ได้ตอนที่บอกว่าเวลากรวดน้ำห้ามเอานิ้วไปรองถูกแล้ว เพราะว่าถาเช่นนั้นก็เท่ากับเอาน้าล้างมือไปให้ปูหย่าตาทวดกินดีไหมละ่ะไม่ดีจ้ะแมมข้าก็โง่ซสตั้งนานและตอนรินน้ำลงจานละ่ะรินตอนพระขึ้นยะถาวาริวหาหรือว่ารินตอนท่านขึ้นสัพพีข้าเห็นบางคนก็รินตอนยะถาบางคนก็ตอนสัพพีเลยไม่รู้ว่าใครผิดใครถูก แม่จวนได้โอกาสที่จะศึกษาหาความรู้ถ้ากลัวจะลืมก็ท่องไว้เลยยะถาให้ผีสับผีให้คนเมื่อพระว่ายถาวาริวหาก็เริ่มรินน้ำไปจนท่านว่าถึงมานิโชติรโสยะถาจึงหยุดแล้วประนมมือรับพรตอนท่านขึ้นสับผีติโยวิรชนตุ บางคนท่านสับพีจบแล้วยังรินน้ำไม่เสร็จก็มีเรื่องเล็กๆ น, น้อยๆอย่างนี้บางทีมันก็สำคัญจะมองข้ามไม่ได้อีกอย่างหนึ่งที่ถือกันมาผิดๆก็คือเวลากรวดน้ำชอบจับก้นกันต่อๆเป็นหางว่าวเชียวคนเฒ่าคนแก่เวลากรวดน้ำเสร็จเมื่อลุกขึ้นก็เลยหางกระเบนหลุดไปตามๆกันทำไมถึงต้องไปทำอย่างนั้นด้วย เพราะก็อยากได้บุญนี่ก็ตัวเองไม่ได้กรวดก็เลยต้องต่อบุญจากคนอื่นข้ามีเห็นว่าผิดตรงไหนแม่ชวนออกความเห็นสําหรับคนโงน่เขลาหนะไม่ผิดหรอกแต่สําหรับคนที่มีปัญญาเขาก็เห็นว่าไม่ถูกต้องการกรวดน้ําคืออุทิศบุญกุศลไปให้ผู้อื่นจะเป็นปู่ย่าตาทวดหรือเจ้ากรรมในเวรก็ตาม ถ้าเราไม่มีน้ำจะ ก, กรวดเราก็อุทิตในใจที่เรียกว่ากรวดแห้งวิธีปฏิบัติก็คือเมื่อพระขึ้นยะถาวริวหากอบประนมมือพร้อมกับอธิษฐานจิตอุทิต ส, ส่วนกุศลไปยังบุคคลที่ต้องการจะให้ไม่จำเป็นต้องไปจับก้นกันจนหางกระเบนหลุดอย่างนั้นเองจำไว้สอนลูกสอนหลานนะว่าต้องเรียนให้รู้ดูให้จา ทำให้จริงถึงจะได้ของแท้ไม่เช่นนั้นก็จะได้แค่ของปลอมแต่แม่ไม่เคยเรียนนี่จ้าทาไมถึงรู้ลูกสาวแย้งเสียงเรียบใครว่าไม่เคยเรียนจริงอยู่ถึงข้าจะไม่ได้๋ไปเรียนที่โรงเรียนอย่างเองแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าข้าไม่เดียวเรียนการที่ข้าฟังพระเทศมาแต้งแต่หัวเท่ากําปั้น ก็เท่ากับค่าเรียนถ้าไม่เรียนหรือจะรู้ไม่ดูหรือจะเห็นไม่ทำหรือจะเป็นจะลําเคนย่ำแย่จนแก่ตายจําเอาไว้การเรียนรู้ไม่จําเป็นจะต้องได้จากโรงเรียนเสมอไปยายอธิบายค่อนข้างละเอียดฟังมารดาสอนเรื่องวิธีกรวดน้ําที่ถูกต้องแล้ว แม่จวนจึงพูดขึ้นว่าทิดพองกำหนดจะกลับวันนี้ไม่รู้จะมาเรือเขียวหรือว่าเรือแดงคงจะเป็นเรือเขียวกระมังเพราะถ้าเป็นเรือแดงป่านนี้คงถึงบ้านแล้วนี่ยังไม่เห็นมาหรือว่าไปได้เมียที่บางกอกเสียแล้วก็ไม่รู้ยายแซงย้าาลูกสาวเขาไม่ทําอย่างนั้นหรอกแม่ เพราะเขาอธิษฐานจิตขอถือศีลแปดตลอดชีวิตและเอ็งยอมเขาหรือยอมสิแม่ข้าในแหละเป็นคนแนะนำเขาตั้งแต่คลอดไอ้หนูเราก็เลิกยุ่งเกี่ยวกันข้ากลัวไอ้หนูจะมีน้องเบื่อออกลูกออกมาแล้วก็ต้องมานั่งเลี้ยงกว่าจะโตมาได้แต่ละคนลำบากยากเย็นเหลือเกินลูกสาวแจงเหตุผลก็ดี เองก็ฉลาดเหมือนกันนี่ยายชมลูกสาวนั่นเพราะข้ามีแม่ฉลาดตั้งหากละ่ะขนาดไม่ได้เรียนหนังสือก็ยังฉลาดกว่าคนจบป .4 อ, อย่างข้าเสอีกลูกสาวชมตอบฉลาดหรือไม่ฉลาดก็ไม่มีใครมาหลอกข้าได้ก็แล้วกันยกเว้นเจ้าแกรกของข้าประโยคหลังยายพูดในใจ ถึงว่าสิไอ้หนูถึงเฉลียวฉลาดเพราะอยู่กับยายนี่เองถ้าอยู่กับพ่อแม่คงไม่เป็นอย่างนี้คนอายุย่าง85อยากจะเถียงว่าหลานชายฉลาดแต่ไม่เฉลียวกลั้นตรองดูแล้วก็เข้าตำราหยิกเล็บเจ็บเนื้อจิงนิ่งเสียพูดถึงไอ้หนูป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ ข้าจะคิดถึงเขาขึ้นมาอีกแล้วแม่ไม่คิดถึงหลานบ้างหรือไงทำไมข้าจะไม่คิดก็ข้ารักของข้ารักมากกว่าเองเสียดอีกรักมากกว่าลูกทุกคนนับเป็นบุญของเขาข้ามานั่งนึกดูไม่คิดว่าจะเลี้ยงเขามาจนโตเป็นหนุ่มได้ที่โตเป็นหนุ่มนะ่ะข้าเลี้ยงต่างหากไม่ใช่เอง มานดาขัดขึ้นก็คงจะจริงเพราะถ้าแม่ไม่เอามาเลี้ยงป่านนี้เขาก็จะไปเกิดใหม่แล้วตอนที่เล็กๆนะ่ะเขาซนเหลือเกินพอหัดเดินต่อแตะตอแตะก็ตกบันไดบ้านตั้งห้าหกครั้งข้ายังจงได้ติดตาตอนตกครั้งแรกอายุขวบกว่าๆ ก, กำลังน่ารักน่าชังวิ่งตกเรือนไปหัวฟาดกับแล้วเป็ดร้องไห้จ้าเลย ข้างนี้ทาอะไรไม่ถูกร้องเสียงหลงเป็นผีเขา้าหนูเอ้ยลูกแม่เป็นยังไงบ้างเจ็บมากไม่ลูกยังจําเสียงตัวเองได้วิ่งงกงกเงิ น, เ ง, นเงินลงไปอุ้มลูกเอามากอดไว้เดชบุญที่เขาไม่เป็นอะไรมากแค่หัวแตกเลือดซิบๆเท่านั้นเกิดเขาคอหักตายขขาคงต้องฆ่าตัวตายตามเป็นแน่แท้ถ้าเองทําอย่างนั้น จะต้องไปตกนรกห้าร้อยชาติเมื่อมาเกิดเป็นคนก็ต้องฆ่าตัวตายติดๆกันถึงเจ็ดชาติถึงจะหมดเวรหมดกรรมอย่าไปทำาชนะเองนี่หลวงพ่อช้างท่านสอนข้าไว้เองจำเอาไปสอนลูกสอนห ล, ลานด้วยมารดาได้โอกาสเทศอีกครั้งถึงอย่างนั้นเชียวหรือ ดีนะว่าไอ้หนูไม่เป็นอะไรไม่เช่นนั้นข้าคงตกนรกอย่างที่แม่ว่าแต่ก็แปลกนะแม่ไอ้หนูของข้าเนี่ยถ้าจะมีเทวดารักษาเพราะตกบ้านตั้งห้าหกครั้งยังรอดมาได้แม่มาอุ้มขึ้นบ้างพ่ออุ้มขึ้นบ้างยายมาอุ้มขึ้นบ้างแม่จำได้หรือเปล่าทำไมจะจำไม่ได้วันนั้นเองกำลังห่อข้าวต้มหัวงอก ไอ้หนูเขาอยากจะกินน้ำมะพร้าวเห็นยายขึ้นหัวบันไดามาก็วิ่งเข้ามาหาปากก็ร้องว่ายายจ๋ากินน้ำมะพร้าวยายจ๋ากินน้ำมะพร้าวมือข้างหนึ่งหิ้วมะพร้าวอีกข้างก็ถืออิโต้และก็วิ่งตกบันไดไปเองลมจับเลยกลัวลูกตายข้าต้องลงไปอุ้ม คนกระเด็นไปทางมะพระ้าวกับอิโต้กระเด็นไปอีกทางข่าเองก็แทบเป็นลมอาศัยว่าสติดีเลยลงไปอุ้มหลานขึ้นมาได้นิทาเทวดาไม่รักษาก็คงได้ไปเกิดใหม่อย่างที่เอ็งว่านั่นแหละเสียงนางด่างกับนางดำเห่ากันโชคขึ้นแล้วก็เงียบไปยายลุกเดินไปที่หน้าต่างมองเห็นทิศพองหิ้วของพลุมพรางเดินเข้ามา จึงบอกลูกสาวด้วยความดีใจผัวเองมาแล้วช่างอายุยืนเสียจริงเพิ่งพูดถึงอยู่ยกจำแรงเอ้ยเองไปช่วยพ่อเองถือข้าวถือของหน่อยนางสาวจำแรงวิ่งปรัดลงไปหาบิดายกมือไหว้แล้วก็รีบรับข้าวของมาช่วยถือบางกอกสนุกไม่พ่อ ลั่นถามอย่างตื่นเต้นก็ดีเหมือนกันแม่เองอยู่ที่นี่ใช่ไหมเขาถามหาภรรยาจาะบนหาเจ้าแกระทุกวันทั้งแม่ทั้งยายนั่นแหละข้างเนี้ยราคาญจะแย่เองอิจฉาน้องก็ว่าเธอบิดารู้เท่าทันใครจะไปอิจฉามัน ข้าดีกว่ามันตั้งเยอะตั้งแยะถ้ามันดีกว่าข้าก็ว่าไปอย่างนางสาวจำแลงพูดถึงคู่ปรับพอแล้วพอแล้วคนมาเหนื่อยอย่าทำให้อารมณ์เสียเดี๋ยวได้เจ็บตัวหรอกลูกสาวรู้ริษมือของผู้เป็นพ่อดีจึงจำต้องนิ่งวางของไว้ที่เรือนแล้วก็เลี่ยงออกไปทางท้ายครัว ด้วยท่าทางกระเง่ากระนอดทิพย์พองเดินเข้าไปคุกเข่าต่อหน้าแม่ยายพลางยกมือไหว้แม่จวนไหว้สามีซึ่งจากกันไปไม่ถึงสิบวันมารแดงหรือหรือว่าเลือเขียวล่ะทิพย์พองและไอหนูของข้าเป็นยังไงบ้างยายถามสองประโยคในคราวเดียวกันมารแดงครับ บังเอิญพวกพ่อค้าแม่ค้าเขาขนของขึ้นลงกันแทบทุกท่าเรือที่จอดเลยทำให้เสียเวลาไปร่วมสองชั่วโมงส่วนไอ้หนูก็สบายดีครับเขาฝากหนังสือมาถึงแม่ด้วยลูกเขยตอบชัดถ้อยชัดคำอยู่ไหนล่ะแม่จวนอ่านให้ฟังหน่อยสิทิพย์พรก็เอามือล้วงเข้าไปในอกเสือ้อ หยิบกระดาษซึ่งพับเป็นรูปสี่เหลี่ยมออกมาส่งให้ภรรยาแม่จวนครีออกอ่านให้มานดาฟังเขียนที่บ้านสามกระไดลูกสาวอ่านออกเสียงบ้านสามกระไดเป็นยังไงนะทิดพองบ้านที่ว่าเนี่ยยายข้องใจตั้งแต่ประโยคแรกคือบ้านหลังใหญ่ครับเป็นเรือนแฝดสามหลังติดกัน มีกระไดขึ้นสามทิศลูกเขยอธิบายอ่องั้นก็อ่านต่อไปแม่จวนจึงอ่านต่อกราบเท้าคุณยายและคุณแม่ที่เคารพรักอย่างสูงคนบางกอกเขาเรียกพ่อแม่ปู่ย่าตายายต้องมีคุณนำหน้าครับทิพย์พองอธิบายก่อนที่จะถูกถาม ผมมาถึงบางกอรกร่วมสิบวันแล้วได้เข้าเรียนโรงเรียนที่ดีที่สุดของบางกอกชื่อโรงเรียนสวนกุหลาบคาถากรณียเมตตสูตรของพระพุทธเจ้าที่ยายให้มานั้นคลังและศักดิ์สิทธิ์มากผมเข้าโรงเรียนนี้ได้ก็เพราะคาถานี้ผมอยู่บ้านคุณปู่คุณย่ามีความสุขมากไม่ต้องตักน้ำทีละยี่สิบโอลเหมือนอยู่บ้านเรา เขามีน้ำก๊อกใช้แค่เอามือบิดก๊อกน้ำก็ไหลออกมาแล้วแต่ผมก็คิดถึงคุณยายมากคุณยายอย่าลืมสัญญาที่ไว้ให้กับผมนะครับว่าจะขยันหายใจกับกินข้าวแล้วเราจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกคุณพ่อจะรีบกลับผมต้องรีบเขียนให้จบประเดี๋ยวจะไม่ทันเรือแดงซึ่งจะออกจากท่าเตียนบ่ายสามโมง ถึงเมืองสิงห์กโมงเช้าผมฝากแอปเปิลมาให้คุณยายกับคุณแม่ด้วยถ้าคุณยายรู้ราคาว่าผลละเท่าไหร่คงรับประทานไม่ลงเพราะเสียดายเงินผมไม่ได้ซื้อเองหรอกครับคุณป้าสายใจพี่สาวของคุณพ่อซื้อให้เป็นผลไม้เมืองหนาวส่งจากนอกเข้ามาจึงมีราคาแพงแต่รสชาติผมว่าสู้ผลไม้บ้านเราไม่ได้ ผมส่งมาสามผลให้คุณยายคุณแม่และคุณจำแรงคนละผลคุณจำแรงเธอคงดูแลคุณยายอย่างดีนะครับสุดท้ายนี้ผมขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรยัยจงปกป้องคุ้มครองคุณยายและคุณแม่ให้พ้นจากอันตรายทั้งปวงขอให้มีอายุยืนยาวถึงร้อยกับหนึ่งปีเทินด้วยความเคารพอย่างสูงเจริญจรุญรัตในวงเล็บแกล จดหมายไม่ได้ลงวันที่หรือยายถามอย่างคนรอบครอบไม่ได้ลงจักลูกสาวตอบอ๋ออย่างนี้นี่เราถึงได้ตกภาษาไทยอยู่บ่อยๆ ย, ยายหาทิศจนได้ทิดพองลุกขึ้นไปหยิบแอปเปิ้ลมาส่งให้ยายพิจารณาสิ่งกลมๆเขียวๆในมือแล้วก็พูดว่าหน้าตามันก็เหมือนพูดซาบานเรานั่นแหละ เพียงแต่ว่าลูกใหญ่กว่าของแปลกๆดีๆอย่างเนี้ยค่ะไม่กินหรอกเอาไว้ถวายสมภารวัดศรัท ธ, ธาพิรมคนห่วงบุญมากกว่าห่วงตัวเองว่าดีจากข้าขออนุโมทนาและข้าจะแบ่งส่วนของข้าให้แม่ครึ่งลูกแม่จวนเสนอเออขอบใจดีเหมือนกันข้าจะได้รู้ว่าผลไม้เมืองนอกมันรสชาติเป็นยังไง นางสาวจำแรงเดินเข้ามาได้ยินจึงสับพยอกว่ารับรองยายได้เอาไปคุยอวดคนทั้งบางเจละคราวนี้ยายค้อน ง, งามสามวงใส่นางคนแสนรู้